ในบรรดาพระสงค์ชั้นผู้ใหญ่ที่กล้ชิดกับพระพุทธเจ้าหรือว่อาที่เป็นเอตทักคะเนี่ยเท่าที่สังเกตดูศึกษาดูก็รู้สึกว่าไม่มีท่านใดที่จะ ปลุรความหรือว่าจ่วงจาาได้มาเท่ากับภาษาลิบบทท่านโดนมาเยอะนะโดนทั้งแม่ดา่าพระที่ใกล้ชิดอย่างเช่นพระชันนาก็ต่อว่าโดนพราหมณ์ทุบหลังโดนยักษ์มาตีหัว ก็โดนพระด้วยกันที่เป็นลูกศิษย์โจทฟ้องเรีวยกว่าท่านโดนมาเยอะก็น่าแปลกนะว่าเจอเยอะกว่าพระเอตรัชกะหรือว่าพระผู้ใหญ่ในรุ่นเดียวกันอย่างพระโมคคัลลาน้านี้ก็ไม่ค่อยมีใครมา กล้ายุ่งด้วยไอเป็นเพราะท่านมีฤทธิ์มากหรือว่าท่านเป็นพระที่ค่อนข้างจะดุเอาจริงเอาจังพระที่อย่างท่านเคยลากพระที่ มีการประพฤติที่ไม่บริสุทธิ์นะออกจากอาที่ประชุมสงฆ์ระหว่างที่มีการแสดงปาติโม่ส่วนภรษัยรุทท่านคงเป็นเ่าท่านเรียบร้อยแล้วก็ไม่ค่อยอไม่ค่อยพูดจารุนแรง จะเรียกว่าอ่อนน้อนถ่อมตนด้วยซ้ำก็เลยเป็นเหตุให้ใครต่อใครก็ยามใจที่ท่านโดนแม่ด่านี่ก็เพราะว่าแม่นี่ก็เป็นพรามทั้นสูงนะไม่พอใจที่พระไยรุบดนะมาบวชมาเหมือนกับว่ามาขอข้าวชาวบ้านกินเป็นที่อับอายขายหน้า แถมเอาน้องๆไปบวชอีกนะหลายคนก็ด่าว่าตอนที่ท่านมาฉันในบ้านว่าฉันน้านี่ก็ดา่าเพราะอิจฉานะอิจฉาท่านได้เป็นอัครสาวกเป็นเบอร์หนึ่งตั้งที่ตัวเองนี่เป็นคนใกล้ชิดกับพระพุทธเจ้ามาตั้งแต่สมัย ดี๋มันจะใช้ศีลตักาใครๆก็พูดถึงแต่พระสายรีบุตรพระโมคคัลลานะไม่พูดถึงเราเลยอิจฉาก็ด่าว่าส่วนพวกพราหมณ์ที่มาทุบหลังหรือว่ายักมาทุบศรีรษะนี่ก็พวกอยากลองของเห็นท่านไม่ค่อยมีผิดไม่มีภัยอะไร ไม่กล้าทังกับพร ะ, พระโมคคัลลานะก็มาทักกับพระสตรบุตรนะแต่ทั้งก็ทั้งเหตุการณ์ทั้งหลายเหล่านี้ท่านก็พระไตรปุฎท่านก็นิงนะ่งสงบเหตการคราวหนึ่งนะอันนี้ก็น่ า, น า, นาพิจารณาพระสตรบุตรจำพรรษาที่เชตวันเอาพรรษา เสร็จท่านก็จะเดินจาริกไปกับหมู่สิทธิ์ก็ไปการาบทุลพระพุทธเจ้าแล้วก็พอเดินออกมาจากวิหารก็มีพระมากมายมามารอส่งพระสตรบุรก็ทักทายเป็นมารยาทก็ทักทายพูดคุยแต่มีพระนี่มา มารอส่งเยอะมากก็พูดคุยทักทายได้ไม่ทั่วถึงก็มีภาพรูปหนึ่งนะโกรเครืองผสมน้อยใจว่าเนี่ยพระไยรปุทโไม่มาสนทนาปาสัยกับเราเลยไม่ถามชื่อไม่ถามโคตดนะอันนี้เป็นธรรมเนียมนะถามชื่อถามโคดไม่ถามชื่อถามโคดเราเลยนะ ไม่ให้เกียดเราเลยนะโกรธนะผสมน้อยใจแล้วก็เลยหาเรื่องเลยไปทูลฟ้องวุ้าว่าพระไตรบุธทธรรร้ายที่จริงตามคำฟีก็เราว่าเพียงแค่ชายสังขาดติเนี่ยไปถูก ตัวท่านไปถูกทวารผ้ารูปนี้เพียงแค่ส ก, กิทท่านแหละก็หาเหตุนะเพราะว่ามีความโกรธอยู่แล้ว mm hmm. ก็เลยไปถูถาวรพระเจ้าก็กลายเป็นอธิกรก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาแทนที่พระไซรบุบจะได้ออกไปจาริกก็ต้องมาแก้อธิกรแต่ก็จบลงได้ดีนะพะ่อพระองค์พระพระไซรบุบก็ได้ ได้ได้พูดกัหมู่สง์ว่าท่านไม่มีความจิตใจท่านเหมือนกับน้ําเหมือนกับดินเหมือนกับลมเหมือนกับไฟคือว่าสม่ำเสมอไม่มีความเรียกว่าเลือกที่รับมติชังกับใครแล้วท่านก็พูดยืนยันพระเจ้าซึ่งเป็นผู้พิจารณาที่กรรยก็ต่อหลัง พระณลวก็เกิดสนุนผิดนะก็ขอโทษขอเข้ามาพระเจ้าก็ก็เลยจัดนะว่าเป็นคาถาว่าผู้ที่มีจิตใจมั่นคงนะเหมือนกับดินเหมือนกับแผ่นดินเหมือนกับเสาเขื่อนปราศจากกิเลสนะเหมือนน้ำที่ไม่มีตมนี่จะเป็นผู้ที่ พลจากสังสารวัฏอันนี้ก็พระองตัดรับรองพระสารบุฎแล้วก็ถือโอกาส น, นำมากล่าวเป็นคติธรรมแต่ประเด็นที่น่าพิจารณาคือพ ร, พระรูปนั้ น, นที่ที่ไม่พอใจพระสารบุฎ ที่จริงความไม่พอใจนะี่มันก็เกิดจากความขอล บ, บความศรัทธาถ้าพา ร, รุมนั้นรู้สึกเฉยๆกับพระไตรปุทก็คงจะไม่ไม่โกรธไม่เคืองอะไรแต่เพราะความศรัทธานะพอศรนะัทธาแล้วก็ก็อยากจะให้ท่านให้ความสําคัญกับเราถ้าไม่ศรัทธานี่ก็คงจะไม่ไม่ขุนเคืองไม่ เออะโวยวายเลแต่เพราะว่าความศรัทธามัมีความศรัทธามากก็เลยเกิดความผิดหวังนะเมื่อไม่ได้รับความสําคัญไม่ความใส่ใจก็กายเป็นความกลัวขึ้นมาอันนี้มันก็เป็นเรื่องเดียวเรื่องความรักนะความรักในระหว่างพ่อแม่ลูกความรักระหว่างสามีภรรยาหรือ แม้กระทั่งเพื่อนฝูงได้ซ้ำเราก็มัวกจะพบว่าความรักก็เปลี่ยนเป็นความโกรธได้โดยเพราะผู้ที่เป็นผัวเมียสามีภรรยาอ น, นี้ก็ตอนที่รักกันก็รักกันดูดดื่มนะแต่ว่าตอนโกรธตอนเกลียดกันก็ถึงขั้นจะ ทำร้ายกันเลยก็มีตอนที่รักกันก็มันก็ว่ายอมตายแทนกันได้แต่ว่าพอความรักกันเป็นความเกลียดนี่ก็สามารถจะฆ่ากันได้มันตรงข้ามกันเลยแล้ว ก, ก็เรียกว่ายิ่งรักมากนะมันก็ยิ่งโกรธยิ่งเกลียดได้ง่าย กรณีนี้ก็เหมือนกันนะเพียงแต่ว่าเป็นความศรัทธาไม่ใช่ความรักแบบหนุ่มสาวความศรัทธานี่มันก็น่าแปลกเออทำไมศรัทธาศรัทธาใครก็ตามเนี่ยศรัทธาพระไตรบุณณ์เนี่ยยกให้เหนือหัวแต่แล้วก็มาลงเอยด้วยกันนะที่มุ่งร้ายอันนี้ อยบอกไว้แล้วว่ามันเป็นเพราะว่ามันมีความผิดหวังนะผิดหวังผิดหวังเรื่องอะไรนะก็ผิดหวังว่าเขาไม่สนใจตัวเองเขาไม่ให้ความสําคัญกับเราอันนี้ก็เป็นเป็นตัวกิเลสตัวหนึ่งนะการที่อยากจะได้วความสําคัญเป็นกิเลสชื่อมารณนะถือว่า เราเรียกง่ายๆสมัยนี้ว่าเป็นอัตตา ห, หรืออีโกโ้ดูเหมว่าเวลาศรัทธาใครเนี่ยก็ยกเขาไว้นะเหนือหัวแต่ว่ามันก็เป็นศรัทธาที่เจอไปด้วยอัตตาศรัทธาที่เจอไปด้วยมานะมันไม่ใช่เป็นศรัทธาไปแค่ว่า ยอมนะยอมให้ยอมให้ว่ายอมให้กล่าวยอมให้ใส่ใช้อะไรก็ได้นะอันนั้นเรียกว่ามันเป็นการมอบตัวมอบตนให้กับผู้ตื่งศรัทธาแต่ถ้าเกิดว่าเป็นศรัทธาที่มันเจอด้วยมานะเนี่ยมันก็มีความคาดหวังคือยกเข้าไว้ก็จริงนะแต่ว่ายกไว้ไ ด, ด้วยโดยมีความคาดหวังนะเขาต้อง ใส่ใจชันนะฉันเขต้องให้ความสําคัญกับชั้นนะนะถ้าไม่ให้ความสำาัญฉันนี่จากศรัทธาก็กลายเป็นย่ายีเลยนะมันพลิกเปลี่ยนเร็วมากนะย่ายีนี่คือจ้วงจ่า ก, กล่าวหาว่านี่พระสารีบุตรทําร้ายข้าพเจ้านะถึงกับโกหกใส่ร้ายนะอันนี้เราก็เห็นมาเยอะนะในในใน ในสังคมทั่วๆไปนะความศรัทธามันสามารถจะกลายเป็นความเกลียดได้อย่างเช่นครูบาอาจารยนะ์เกิดทำอะไรไม่ถูกใจขึ้นมาเออถ้าความไม่ถูกใจนั้นก็เป็นเรื่องของการทำอะไรที่ผิดธรรมอันนี้ก็น่าจะขุนเคืองก็มีเหตุที่จะขุนเคืองได้ เช่นบวอยู่ดีๆก็เอาศึกนะเกิดความผิดหวังอย่างเช่นที่เกิดความขุ่นเคืองอาจา ร, รย์คาเวสโกอ น, นีอันนี้ก็เป็นเรื่องความที่ลูกศิษย์ลูกหาก็พลิกเลยจากที่ศรัทธา อายุได้พอความเชืวว่อเป็นพระอาหารหันต์ก็ได้หรือเป็นพระริยเจ้าพอศึกไปแต่งงานก็โกรธขุนเคืองมันก็มีทั้งมันมีความเจ็บปนนะว่าเออว่าว่าท่านทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะก็คือผิดไม่ไม่ไมเรียกว่าคลาดเคลื่อนจากธรรมที่ควรจะเป็นแล้วก็คั้กรรมก็มีความ ผิดหวังในเรื่องส่วนตัวด้วยคือไม่ถูกใจนอกจากมีความไม่ถูกต้องแล้วก็ไม่ถูกใจประพฤติไม่ถูกใจปฏิบัติไม่ถูกใจให้ถูกต้องไม่ถูกต้องนี่เป็นเรื่องธรรมนะถูกใจไม่ถูกใจมักจะเป็นเรื่องของอัตราตัวตนคือมาทบมากระทบกับตัวตนไม่ถูกใจฉันพอไม่ถูกใจฉันก็เปลี่ยนเป็นโกรธ อันนี้ก็เกิดขึ้นนะกับกับกรณีอื่นๆด้วยนะบางทีครูบาอาจารย์ก็อาจจะไม่ได้ทําอะไรไม่ถูกต้องเพียงแต่ว่าทําไม่ถูกใจอย่างกรณีกรณีภาษาษีบุตรนี่ก็แต่ก็ไม่ได้ทําอะไรไม่ถูกต้องแต่ว่าไม่ถูกใจก็คือว่าไม่ให้ความสําคัญกับเราให้ดูดีๆเวลามีเวลาศรัทธาใครเนี่ย บางทีมันเป็นการศรัทธาเขาหรือว่าเป็นการรักตัวเองรักกิเลสตัวเองมากกว่าบางทีคนหนุ่มสาวเนี่ยเขารักบอกว่ารักรักกันเนี่ยเขารักตัวเองหรือรักกิเลสตัวเองมากกว่าถ้าหนุ่มสาวคู่ครองที่ที่ ถือว่ารักกันเนี่ยเกิดทําอะไรไม่ถูกใจฝ่ายหนึง่งนะความรักกกลายเป็นความเกลียดขึ้มนมาทีอาจจะเป็นความโกรธก่อนเริ่มจากความโกรธรักเปลี่ยนเป็นโกรธเพราะว่าอัตตาถูกกระทบนะแล้วจากความโกรธกกลายเป็นความเกลียดนะพอเกลียดแล้วนี่ก็พร้อมที่จ ะ, ะทําร้ายนะ รว่าย่ำดีได้สัถานที่เจอด้ดยกิเลสเนี่ยนะมันมันเป็นเรื่องที่เห็นได้ทั่วไปเช <c oughs> ่นเดืยวความรักนะที่มันเจอด้ดยกิเลส <c oughs> ก็เห็นได้ทั่วไปแต่คนไม่ค่อยจะตระหนักเท่าไหร่นะปากก็บอกว่ายอมตายแทนกันได้ยอมตายแทนกันได้นะ แต่พอเขาทำอะไรไม่ถูกใจเราเท่านั้นแหละถ้าครั้งแรกไม่เป็นไรครั้งที่สองครั้งที่สามก็เริ่ม เ, นะเกิดความไม่พอใจขึ้นมาจากขุนเคืองก็เป็นความกลัวจากความกลัวก็เป็นความเกลียดไปนะถึงขั้นทำร้ายได้อย่านงะที่เคยเล่าเนะี่ยผู้ชายบางคนนะแฟนทิ้งปล่อยให้ตัวเองเลี้ยงลูก ก็ไปงอนงอนนะงอนะง้อ น, อ น, นี่เรียกว่ารักเขามากนะขนาดที่ว่าจะให้ยุก ค, คุกเขาขอร้องก็ได้พร้อมจะคุกเขาขอร้องดูมาว่าเป็นการลดอัตราตัวตนมากเพราะว่ารักเขามากนะจะให้คุกเขาก็ยอมนะแต่พอเขาไม่สนใจเมินเรียกร้องวิงวอนเขเท่าไหร่เขาก็ไม่กลับไปโกรธนะ ก็เอามีนี่จ่วงแทงต่จวงแทงจนตายมันพลิกไปได้ยังไงนะจา่าไพไพว่ายอมลดตัวตนนะวิงวอนขอร้องคุกเข่ า, ากลายเป็นการไปทำลายเขานะการที่ทำลายกมันต้องเกียดชังมากนะเกียดชังพ่ออะไรเพราะว่า รู้สึกว่าตัวตนนั้นถูกกระทบหรือว่าจะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยต้องการเป็นผู้ชนะอุตส่าห์ขอร้องแล้วขอร้องเพื่ออะไรเพื่อจะได้ชนะเขาเพื่อให้เขายอมยอมทำตามเรามันมีความมันมีกิเลสซ่อนอยู่ดูเหมือนว่าการขอร้องเป็นการลดอัตราถึงกับคุกเขา่า ดูว่าเป็นการลดอัตตาแต่จริงมันมันทำไปเพราะต้องการเป็นผู้ชนะมากกว่าเพราะว่าเขาขอร้องเขาแล้วเขายอมเราก็ชนะเขาก็ทําตามความต้องการของเรานมันไม่ใช่เป็นการลดอัตตาเลยแต่เป็นการทำไปด้วยอำนาจของอัตตาหรือกิเลสล้วนๆถูกครอบ ง, งำด้วยกิเลส แต่ว่ารูปแบบการแสดงออกก็จะเหมือนกับว่าเป็นการยอมเป็นการยอมดูเหมือนว่ายอมลดอตัตราแต่ว่าถ้าไม่ถ้าอีกฝ่ายไม่ยอมเมื่อไหร่นี่นะก็จะเปลี่ยนยุทธวิธีนะจากการวิงวอนร้องขอจากการคุกเขานะ่าเป็นการ ทำร้ายทันทีแม้ก็ะทั่งค่านะเพื่อแสดงว่ากูเป็นผู้ชนะกูไม่กูจะไม่ยอมแพ้มึงเด็กขาดนะไอท้ที่ไอ้ที่คุกขาอ่อนวอนันก็เป็นเพียงแค่อุบายนะของอัตตาเพื่อให้เขายอมเรายอมถ้ายอมเราก็แปลว่าเราเป็นผู้ชนะ แล้วันงีศรัทธาเนี่ยที่ศรัทธ า, าใครต่อใครเนี่ยงทีมันมันทําไปด้วยอํานาจของอัตตา ห, หรือกีเลยตั้งแต่ต้นนะศรัทธาในพระรัตนตรัยก็เพราะาอยากจะได้ฤทธ์ได้อํานาจดนบันดาลจากพระพุทธธรรมประสงค์ที่ทําให้เรารวยให้เรามีความสําเร็จนะมันทําไปด้วยอํานาจของอัตาตา ต, ตั้งแต่ต้นเลยไม่ใช่เพราะว่าเป็นการยอมนะยอม สิโลลาให้กับสิ่งที่เรานับเรานับถือให้เวลาเราเห็นผู้คนศรัทธาครูบาอาจารย์มากมายเนี่ยนะบางทีก็ไม่แน่ใจนะว่าเออเขาเขายอมนะยอมลดลาดตายกครูบาอาจารย์ไว้เหนือหัวหรือว่ามันเป็นการทำไปด้วยนะแรง แรงขับของอัตตาแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างประการหลังก็คือว่าทำไปด้วยเพราะว่ามันที่ไปศรัทธาก็เพื่อจะได้อัตายได้หรือมานะได้รับการปลนเปลอเช่นนับถืออาจารย์องนี้แล้วก็จะรู้สึกว่าตัวเองโก้เกะนะ ยิ่งถ้าเป็นอาจารย์ครูบาอาจารย์ที่มีชื่อเสียงเนี่ยถ้าตัวเองไปนักถือหรือว่าไปอยู่ฝ่ายครูบาอาจารย์นี้ก็จะรู้สึกว่าเราเป็นคนเก่งเป็นคนที่ดีนะเป็นนักปฏิบัติธรรมที่ถูกทางนะก็คืออาศัยบา ร, รมีของครูบาอาจารย์เนี่ย ที่ตัวเองอ้างว่าศรัทธาเนี่แหละมาเป็นเครื่องชูนะชูภาพลักษณ์ให้สูงเด่นมากขึ้นหรือทำให้ตัวเองรู้สึกมีความมั่นคงในจิตใจแต่จริงมันเป็นเรื่องอั ต, ตาราล้วนๆก็คงไม่ต่างจากคนที่วัยรุ่นหนุ่งสาวที่อยากจะไป ขายรูปคู่กับดาราดังเพื่อได้ไปอวดว่าเนี่ยจะได้ไปอวดว่าฉันได้ใกล้ชิดกับดาราไปอวดเพื่อก็ทําให้ตัวเองรู้สึก ด, ดูภูมิฐานมากขึ้นรู้สึกว่ามีค่ามีราคามากขึ้นจะได้สูงเด่นนะกว่าเพื่อน คนอื่นๆที่ไม่มีโอกาสได้ไปถ่ายรูปคู่กับดาราแต่ถ้าเกิดดารานี่เขาเกิดไปทําอะไรบางอย่างที่ไม่ถูกใจตัวเองเช่นเกิดประกาศว่ามีแฟนจะ แ, แต่งงานคนนั้นคนนี้แฟนนี่ก็ผิดหวังทันทีหรือถ้าเกิดว่าดารานั้นไปแสดงความเห็นทางการเมืองที่ไม่ตรงกับตัวก็โกรธทันที ก็เหมือนกันนะครูบาอาจารย์เี่ยที่ที่เอาสรัทธานับถือเนี่ยเกิดว่าก็าเขาแสดงออกความเห็นนะทางสังคมก็ดีทางการมันก็ ด, ทกกดีที่ไม่ถูกใจกับตัวเองนับถืออาจารย์รูปนี้นะแต่ว่าอาจารย์นี้มีความพิทางการเมืองคนละคนละฝ่ายกับเราก็จะเกลียดทันทีก็จะไม่พอใจทันทีทั้งที่เหมือนว่าเวลามีความศรัทธาเนี่ยมันก็ ค่อยๆยกให้นะยกให้ยกให้เหนือตัวเองแต่เราก็เห็นทั่วไปนะพอครูบาอาจารย์ทำอะไรไม่ถูกไม่ถูกใจตัวนี้ความสุขนพลิกกลับทันทีอันนี้เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าอธที่ศรัทธาศรัทธาจริงไม่ใช่หรอกแต่มันเป็นการทําเพื่อเพื่ออัตตาตัวเองมากกว่าแย่างพระรูปนี้ี่นะ ก็คงจะเห็นว่าพระไศยบุตร เ, เป็นอัครส า, าวกเป็นเบอร์สองก็คิดว่าถ้าตัวเองได้ใกล้ชิดก็จะทำให้ตัวเองดูดีมากขึ้นถ้าพระไศยบุตรมาสนทนากับเราก็จะทำให้เราสึกเออเราเป็นคนสำคัญแต่พอท่านไม่สนทนาด้วยเพราะว่าไม่ได้ตั้งใจก็โกรธ แล้วโกรธก็เป็นเกลียดแล้วกเกลียดก็นําไปสู่การใส่ร้ายกนะิเลสอัตตาหรือมารด น, นี่ยมันมันมันแยบคายมากนะนะมันสามารถจะไปซุกซ่อนอยู่ภายใต้กุศลธรรมนะหรือว่าเช่นความศรัทธานี่ก็เป็นกุศลธรรมอย่างหนึ่งหรือแมทั้ความเมตตาปรารถนาดี ปรารถนาดีต่อพ่อแม่รักพ่อแม่พ่อแม่ป่วยก็อยากให้ท่านดูแลสุขภาพบอกให้ท่านนะอย่า ก, กินของหวานอย่า ก, กินพวกน้ำตาลเหนือพวกข้าวเหนียวทุเรียนหมูพะโลไม่สบายอยู่แล้วแต่แม่ก็ชอบกินส่วนพ่อนี่ก็ สูบบุหรีจนกระทั่งไม่สบายก็บอกให้พ่อนี้เลิกสูบบุหรีแต่ก็ยังเห็นพ่อแอบสูบลูกจะเกิดอะไรเกิดอาการของขึ้นเลย พ, พ่อว่าพ่อว่าแม่แต่แล้วก็มาเสียใจทำไมรักการเป็นการต่อว่าได้ก็พ่อเขาไม่ทำตาม คำแนะนําของเราพ่อแม่ไม่ทําตามคำแนะนําของเราไอ้คำว่าของเราเนี่ยมันทําให้เกิดความไม่พอใจคือความโกรธนะความปรารถนาดีที่มันเจอด้วยด้วยกินเหล่ด้วย ต, ตานี่มันมันก็น่า ก, กลัวนะัหรือมันก็สร้างปัญหาเหมือนกันนะพ่อแม่ที่ปรารถนาดีกับลูกก็บังคับลูกนะบังคับลูกทำอย่า ง, ง, างนี้พอะลูกไม่ทํำก็โกรธว่าดา่าตี แล้วก็รู้ว่าฉันทําถูกแล้วฉันทําด้วยความปรารถนาดีแต่เป็นความปรารถนาดีที่มันเจือด้วยกิเลสก็คือต้องให้เขาทําต้องให้ลูกทําตามเราถ้ารู้ไม่ทําตามเราก็คือแย่ก็คือสมควรถูกลงโทษสมควรถูกด่ามันเปนความปรารถนาดีที่เจือไปด้วยกิเลส อันนี้น่ากลัวมากนะไอ้ถ้าปรารถนาไม่ดีตั้งแต่แรกโจง่จงๆเลยนี่มันชัดเจนกว่าเจ้าตัวก็รู้สึกว่ามันไม่ถูกใช่ใช่เวลาโกรธใครเกลียดใครเนี่ยเพราะเพราะว่าไม่ชอบเขาเนี่ยมันรู้สึกเลยมันบางทีก็รู้สึกไม่ดีนะเพราะว่ากิเลสมันแสดงตัวชัดจนรทังเรารู้สึกไม่ดีนะที่ไปไปโกวดไปเกลียดเขาไปทำร้ายเขาแต่ถ้าเกิดว่า มีความปรารถนาดีแต่ว่าถูกคร่อบงำด้วยเมตตด้วยกิเลสเนี่ยนี่มันกลับยิ่งยึดมั่นมากขึ้นอย่างเช่นพ่อแม่ที่หวังดีกับลูกแล้วก็บังคับลูกนะเคี่ยวเข็นลูกมันทั้งในเรื่องการเรียนทั้งในเรื่องการมีคู่ครองก็ยังรู้สึกว่าตัวเองทำถูกนะพ่อมองไม่เห็นกิเลส ท, ที่มันซ่อนอยู่นะ หรือตัวมา น, นะที่มันซ่อนอยู่ว่าที่แท้ทำไปเพราะตัวเองแค่แท้ทำไปก็คืออยากจะให้เขาทําตามเราหรือว่าเชื่อคำแนะนำของเรามันมีมันมีเรามมีของเราอยู่มันก็เป็นการบ่งชี้ว่าเนี่ยคือเรื่องอัตตาตัวตนตัวกูของกูแต่พ่อแม่เนี่ยก็ไม่เห็นลูกก็ไม่เห็นลูกอาจจะจำจีจำชัยพ่อแม่ด่าว่าพ่อแม่ แพ่อแม่ก็ทุกตัวเองก็ทุกแล้วก็ยังไม่เลิกทานะเพราะว่าไม่รู้เท่าทันในตัวกิเลสที่มันซ่อนอยู่หรือบงการความความปรารถนาดีครอบองความปรารถนาดีความรักความเมตาตาพ่อบางคนปรารถนาดีกับลูกมากนะคิดว่าอย่างนั้นลูกไม่เชื่อก็ตกเลยลถึงท่านทำร้ายลูกก็มี ทำร้ายลูกยิงเลยนะตายเลยพเพอลูกเถียงลูกไม่เช uh uh ื่อฟังพ่อไอ้รักทําไมมันกลายเป็นฆ่าไปได้รักทําไมเป็นการทำร้ายไปได้ก็เพราะว่ามันไม่ได้รักด้วยความบริสุทธิ์เนี่ยมันมีความรักด้วยมันเป็นความรักที่เจอด้วยกินเลด้วตาด้วยถูกคร่อบงำด้วตามึงต้องฟังกูนะมึงต้องเชื่อกูนะมึงอย่าเถียงกูนะไอ้ตัวนี้ไม่ใช่ความรักอะไรตัวนี้คือความ คืออัตตาคือกิเลสแล้วมันก็มักจะเกิดขึ้นนะกับพ่อแม่หรือแม่กทั่งกับลูกนะเวลาไปสัมพันธ์กับลูกสัมพันธ์กับพ่อแม่มึงต้องเชื่อกูต้องฟังกูนะกับครูบาอาจารย์นะหลายคนก็มีเขาทํานองนี้แต่ไม่ถึงกับขั้นขึ้นมึงขึ้นกูนะแต่คิดว่าเนี่ย บางทีกงมีความว่านียคาดหวังเรียกร้องต้องให้ความสำคัญกับเราถ้าครูบาไม่ให้ความสำคัญกับเราก็จะเริ่มด้วยความน้อยใจทำไมไม่พูดกับเราทำไมไม่คุยกับเราคุยกับคนอื่นเแล้วก็เริ่มกัาเป็นความโกรธนะจากความน้อยใจเป็นความโกรัแล้วจากความกรวถ้าเป็นไม่มากก็จะเกลียด คนเราถ้าไม่รู้ทันไม่รู้ทันอัตตาไม่รู้ทันกินเลสนะที่มันซ่อนอยู่นะก็จะไปหลงพาภูมิแต่โอ้ฉันนะศรัทธาในพระรัตนตรยัยฉันรักเขาจนยอนตายได้นะหรือว่าฉันรู้ทักรูปจริงๆนะฉันศรัทธาภูบาาจารย์เรียกว่ายอมยกให้เลยนะอันนี้มันก็ ถ้าไม่รู้ทันมันก็อาจจะกลายเป็นความเผลอตัวเมื่อไหร่นะไ อ, กกกอ้กินแหลมก็ชูคอขึ้นมาทนทีแล้วคราวนี้มันก็นะตามมาด้วยการพูดร้ายทําร้ายใส่ร้ายนะนี่เป็นเรื่องที่ต้องต้องระมัดระวังมากนะไอ้กินหลมที่มันซุกซ่อนอยู่ภายใต้ความรู้สึกดีๆความรักความเมตตาความปรารถนาดีความศรัทธา บางคนก็มันก็อักตาเป็นกิเลสเป็นตัวขับเคลื่อนตั้งแต่แรกนะอย่างที่บอกมาศรัท ธ, ธาครูบาอาจารย์คนนี้เพราะว่าถ้าว่าได้เชื่อเป็นลูกศิษย์ครูบาอาจารย์คนนี้แล้วตัวเองก็จะดูดีมากขึ้ น, นอยากได้ใกล้ชิดคนดังคนเด่นอันนี้ก็มีแต่บางคนก็มาด้วยเจตนาที่เป็นความศรัท ธ, ธาจริงๆแต่ทําไปทําไปมันก็จะมี ปล่อยเผลอให้กิเลสเข้ามาครอบงำให้กิเลสเข้ามารังควานเสร็จนะ แ, แล้วตัวเองก็กี้เหร่ก็ชนะนะพอพอโกรธพอเกลียดแล้วก็ครูบาอาจารย์พูดดีแค่ไหนก็ไม่ฟังสอนดีอย่างไรก็ไม่ทำนะแล้วบังเราถึงขั้นสวิงเลยเลิกแล้ว ไม่นับถือครูบาอาจารย์นี้แล้วเลิกแล้วศาสนาพูดไม่เอาแล้วปฏิบัติธรรมเลิกหมดอันนี้ก็เรียกว่าเป็นชัยชนะของกิเลสมันก็ฉลาด น, นะทั้งที่เราศรัท ธ, ธาครูบาอาจารย์เพื่อมุ่งปฏิบัติลดละกิเลสแต่สุดท้ายก็พ่ายแพ้กิเลสเพราะว่าศรัท ธ, ธามากศรัท ธ, ธามากก็ผิดหวังมากแต่จริงมันไม่ศรัท ธ, ธามากมันไม่ทําให้ผิดหวังหรอกถ้าไม่ ไอ้เจอด้วยกิเลสไอ้ที่ผิดหวังเนี่ยนะมันก็เพราะส่วนใหญ่เพราะกิเลสมันไม่ได้รับการปนเปลือยนะศรัทธาจริงเนี่ยมันไม่ทําให้ผิดหวังแต่ที่ผิดหวังเพราะไอ้กิเลสมันมันไม่ได้รับการปลนเปลือยไม่ไดการพนอมากกว่านื่การฌานสติมเราต้องเราต้องพยายามนะรู้เท่าทันกิเลสตัวนี้ตรงนี้แหละที่เป็นส่วนหนึ่งของจิตตามุปัสนา ก็คือการดูจิต ด, ดูใจงตัวรู้เท่าทันนะราคาตัสะโมหะหรือว่าตัวมานะที่มันซ่อนอยู่มันฉลาดมากนะแล้วก็นักปฏิบัติมากมายก็พาดท่าเสียทีก็เพราะเรื่องนี้อย่างภาพรูปนี่นะก็อาจจะมาบวชเพราะว่าอยากจะพ้นทุกข์นะสุดท้ายก็เสียผู้เสียคนไปแต่ก็ยังดียังยอมรับผิดนะ มีโอกาสกลับตัวได้คนที่กลับตัวกลับใจก็มีโอกาสที่จะ บ, บรรลุธรรมได้นะอย่าพระชันน่านีนตอนหลังก็ได้เป็นพระรหันต์หลังจากที่โดนพระต้นสงลงพรหมทันเจอยาแรงเขา้าก็ยอมแพ้เลยกลับมาสำนึกผิดแม่พระสายลบุตรตอนหลังก็ก็บรรลุธรรมในเป็นพระโสดบบาบันเพราะว่าได้เกิดศรัทธานในโลกขึ้นมาใน ในคืนสุดท้ายที่พระไตรบุฎจะปรินิพพานนะก็ได้เมตตาแสดงธรรมให้แม่ได้บรรลุธรรมได้ก็เรียกว่าท่านได้ทําให้เรียกว่าคนใกล้ชิดได้บรรลุธรรมหมดนะน้องก็เป็นพระอรหันต์หมดนะส่วนแม่ก็ได้เป็นพระโสดาบันอันนี้ก็เป็นภารกิจสุดท้ายแนละก่อนที่ท่านจะปรินิพพานเอาละชาติพุ ก, กันท่า น, นี้กรับครับ สมมาสัมพุทธ佛菩萨佛菩萨อาจารว